คนคนหนึ่งต้องการเพื่อนแท้แค่ไม่กี่คนเพื่อนที่เลวที่สุดพาคุณไปสู่ความเดือดร้อนเพื่อนที่เลวมากขอให้คุณช่วยแต่ทิ้งคุณยามเดือดร้อนเพื่อนที่ดีมากเกรงใจคุณแต่ไม่ทิ้งคุณยามเดือดร้อนเพื่อนที่ดีที่สุดทำให้คุณยอมเปลี่ยนใจ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 การร่วมเป็นร่วมตายไม่ใช่เหตุที่แข็งแรงพอจะรักษาความเป็นเพื่อนแท้เอาไว้ได้เพื่อนตายไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนแท้ส่วนเพื่อนที่ร่วมกันคิดอนุเคราะห์ผู้อื่นเพื่อนที่ตกลงกันว่าจะยอมให้อีกฝ่ายตักเตือนเมื่อตนหลงผิดคิดผิดศีลผิดธรรมออกนอกลู่นอกทางแม้ภายหลังมีเรื่องไม่เข้าใจกันผิดใจกัน ฐานบุญก็มีอำนาจบันดาลให้อยากปรับความเข้าใจและคืนดีกันได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่แปลเป็นความคิดอยากห้ามหันให้ตายกันไปข้างอาศัยความจริงเพียงเท่านั้นก็กล่าวได้แล้วว่าการร่วมบุญร่วมกุศลดีกว่าการร่วมเป็นร่วมตายกันคนส่วนน้อยได้เพื่อนแท้เพราะบุญเก่า ซึ่งคนเรารู้จักกันในนามของดวงดีหรือได้เพื่อนแท้ประบุญใหม่แต่สินใจเข้าสังคมเอื้ออาทรรักการให้เปล่ารักการติดสอยให้ตามกันไปช่วยคนหรื อ, อยังน้อยที่สุดรักการยินดีร่วมไปกับคนช่วยคนซึ่งเท่ากับมาถูกที่เมื่อเข้าป่าย่อมได้ไม้เมื่อเข้าเมืองย่อมเจอตึก พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเข้ากันได้โดย่านิสัยเมื่อศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันน้ำใจเสมอกันสติปัญญาเสมอกันย่อมจูนกันติดโดยง่ายและอาจได้เพื่อนแท้มากมายจนอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดคนในโลกนี้จึงบ่นกันจังว่าหาเพื่อนแท้ไม่ได้สักคน